ท่านฟังที่ครบค่ะรายการสัสนนิ์สนทนานะคะที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้ทางสถานีวิทยุ FM ครอบครัวข่าว106เมกะเฮิร์ค่ะแล้วก็จะมีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติด้วยดิฉันสันนิยน่าคงดำเนินรายการเรามาถึงช่วงเวลาที่สองซึ่งจะมีพระภิกษุอีกรูปหนึ่งมาสืบเนื่องจากที่ ท่านมาร์คหรือว่าพระมาร์ชาควโดจากวัฒนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบปทุมธานีผ่านไปทีนี้เราขึ้นอีสานไปอุดรเลยนะคะพบกับพระอาจารย์ไพบุญอภีปุลโนวัดป่าดอนไฮโซอุดรธานีค่ะกลับมาพิธการกับท่านค่ะเชิญพรท่านไพบุรค่ะดิฉันก็ว่าจะถามเรื่องปฏิบัติกับท่านเนี่ยอืแต่ว่าพอจะไปถึงตรงนั้นก็ผุดเรื่องแล้วค่ะแล้วก็ผุดวันเนี้ยผุดเรื่องขึ้นมาที่ต้องถามท่านอาจารย์ก่อนเพราะว่า ในฐานะที่เป็นผู้สนใจในเรื่องของธรรมะทั้ง ใ, ในเรื่องการฟังธรรมแล้วก็พยายามปฏิบัติอนะคะวันนี้ดิฉันไปเจอสุภาพสตรีท่านหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวยังสาวอยู่ลักษณะดีทีเดียวดูเป็นคนมีการศึกษาครอบครัวดีเธอเดินสวนกับดิฉันแต่ดิฉันตกใจมากดันเดินมากับเลขานะคะ รู้สึกเหมือนกันคือเธอเดินพูดเสียงดังด้วยนะคะพูดเรื่องของอเหมือนกับฟุ้งไปเรื่อยพูดธรรมะค่ะว่าตัะสงสารนี้ก็ดูเอ๊ะมีสปีเกอร์พูดโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าก็ไม่ใช่สามารถสรุปได้โดยสายตาของคนทั่วๆวไปนะคะจะมองว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเธ อ, อ, อไปปฏิบัติธรรมแล้ว ทำให้เพี้ยนๆไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคนไปปฏิบัตินุ่งขาวห่มขาวฝักไฟอย่างนี้แล้วมีอาการที่เรามีความรู้สึกเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอือันนี้พู้เ ช, ช่าก็เคยเคยพูดถึงนะว่ า, าการปฏิบัติธรรมที่ปล า, าระความเพียรมากเกินไปมันจะตึงเกินไปนจึงทําให้จิตฟุ้งซ่านเป็นก็มีพอฟุ้งซ่านมันก็ออกอาการต่างๆนาน า, นาได้ยินเสียงบ้าง ไลฟ์ไปตามรูปบ้างสิ่งที่เห็นที่แบบว่าตาพิเศษเห็นเนี่ยนะก็มีเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเนี่ยเราก็ถ้าถ้ามันตึงเกินไปเราต้องผ่อนลงบ้างเหมือนกับการจับนกกระจาบเนี่ยถ้าเราจับด้วยมือทั้งสองเนี่ยเอามือสองข้างโอบนกกระจาบอยู่เนี่ยถ้ า, าจับรวมกันไปมันก็บินหนีก็คือว่าเปรียบเทียบกับคนที่แบบโ้ษไม่ก็เรียกว่าไม่มีสติฟุ้งเฟอ้อ แล้วก็แบบไม่เคยปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆพวกนี้ก็แบบหนึ่งหรือีกแบบหนึ่งก็คือบีบนกกระจาบจานแน่นเกินไปเดี๋ยวนกกระจาบก็ตายนั่นก็คือผู้นี้เครียดคลเกินไปะจะทําให้จิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านนี่มันก็ทําให้ไปได้ต่างๆนานาอย่างที่ว่าอท่านคะทีนี้จะทํำยังไงดีคะสมมุติไม่สมมติดกีกว่างันกลับเรียนถามท่านว่าในหลักสูตรปฏิบัติธรรมท่านเนี่ย เคยเจอใครเป็นแบบนี้บ้างไหมคะแล้วถ้าเจอแล้วจัดการอย่างไรก็เคยพบอยู่ในวิธีแก้พระเจ้าบอกนี้นะพูดถึงว่าใครที่มีจิตฟุ้งซ่านเนี่ยเปรียบเหมือนกับกองไฟกองใหญ่อยที่มันลุกโหมขึ้นแล้วฟูฟูฟูขึ้นเลยเนี่ยถ้าคุณจะใส่กิ่งไม้แห้งเข้าไปโอ้ยไม่ได้แน่นอนถ้าจะเป่าลมเข้าไปนี่ก็ยิ่งไม่ได้เลยนะหรือว่าถ้าจะใส่โคมไม้แห้งนะมันก็เป็นเชื้อไฟเข้าไปอีกไม่ได้เลยแล้วนะคุณจะต้องเอาเชื้อไฟออกแล้วนะต้องใส่ขี้เถ้าโรยขี้เถ้าลงไปพรมน้ําลงไปนะพวกนี้จะดับไฟได้ เนะปรยียบเหมือนกับการที่จิตฟุง้งซ่านเนี่ยเราต้องทําจิตให้สงบนะด้วยการเจริญอุเบกขาสัมโพชงบ้างนะหรือว่าสมาธิสนะัมโพชงบ้างหรือว่าปิติสัมโพนะปั ส, สทติสัมโพชงบ้างทําให้จิตมันสงบไม่ให้จิตมันฟุง้งซ่านไปอย่างนั้นทนะีนี้วิธีการที่เราจะใช้ทำํำนะก็คือว่าให้เขาออกจากสมาธิซน ะ, ะเพราะว่าจิตที่เป็นสมาธิมันทำให้อาจจะฟุง้งซ่านไปเห็นนั่นเห็นนี่ถ้าคลี่คลาเกินไปก็ให้เขาผ่อน ความเพียรเขาลงนะโดยการที่เลิกทำซะให้หยุดนะไปพักปอนอชวนคุยนั่นนีนะ่ให้ออกจากสมาธินั่นแหละ ค, ค, คือจุดประสงค์ค่ะท ำ, ทำไมบางคนจึงเป็นเช่นนั้นทำไมบางคนจึงไม่เป็นกันคะโอ้อันนี้มันพยากรณ์ได้ยากมากคุณยมเตียวมันเป็นหลายเรื่องคือบางทีเป็นกรรมนะกรรมนี้คือหมายความว่าอินทรีย์หาของเขานั่นแหละนะ นะที่ทําให้เขามีความเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนกันคือแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเนี่ยนะมันเบสิก <Okay. S 1> คือตรงที่ว่าอาสวะเนี่ยเราสั่งสมมาไม่เหมือนกันนะอาสวะเนี่ยคือคราบของจิตที่เกิดจากการที่สมุจิตอตอบสนองไปสมมติคนย้อมติ๋วพูดไรมาคนอื่นพูดไรมาเนี่ยเวลาเราตอบสนองออกไปด้วยกายด้วยปัจจาหรือด้วยใจเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีตามกฎของฟิสิกส์เนี่ยนะก็จะมีแอคชั่นเท่ากับเรียกชั่นใช่ไหม ตามกฎของทีุ่ท้เจ้าสอนเนี่ยก็คือว่ามีเหตุย่อมมีผลพอเกิดตรงนี้ปุ๊บผลที่เกิดขึ้นคือจะมีอสุวะอยู่ในจิตเป็นอสุวะที่เป็นาการบ้างหรืเป็นราคะาอสวะหรือเป็นปฏิฆะที่เป็นอสุวะหรือเป็นอวิชชาที่เป็นอสว ะ, ะแะสมอย่างที่เป็นคราบของจิตตรงเนี้ยมันก็จะพอกพอกพอกแล้วก็ทำให้จิตเนี่ยมีนิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งนีมีอุปนิสยัยหรือมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งสองคนอย่างเนี้ยคุณรถไฟถติดห่อติดตึงการขึ้นไปพร้อมกันสองคนคนหนึ่งโอ้ดีใจแบบว่าตื่นเต้นสนุกสนานอีกคนหนึ่งอ้วกแตงอ้วกแ ต, แตนแล้ที่เหตุการณ์สองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันแต่จิตสองดวงไม่เหมือนกันะค่ะวิธีแก้ก็อย่างที่บอกนะคือให้ออกจากสมาธิซะในแต่ละบุคคล น, นั้นแล้วถ้าเราต้องการแก้กรรมจะไหมคุณคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องอัศวะที่ทําให้เรามาชั้นมาเป็นอย่างนี้ชันต้องการแก้ให้ได้ เราก็แก้กรรมด้วยระบบของอริยมาร์กมีองแปดนะ ก, ก็จะสบายใจดีครับทีนีอ้อาจจะทําให้หลายท่านที่ฟังรายการอยู่ก็เลยชักหวนวั่นใจเมื่อกันจะคิดไปปฏิบัติเนี่ยพอฟังแบบนี้แล้วชัท้อโอนี่มีับอธิบายตรงนี้นิดนึงว่าค่ะจริงๆการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเนี่ยคุณยมติวมันมีสองสองนยัยยะไงนัน<ม>นยยะแรกเนี่ยคือที่เราทําอยู่ทุกวนันทุกวันอยู่แล้วนั้นคือคารวะมิสัย คือสมมติเราตื่นเช้ามาเราไม่ด่าใครเลยเราไม่คิดร้ายกับใครเลยไปถึงรถติดบ้างอะไรบ้างเราก็อดทนเอาเนะี <Okay. S 1> เจ้านายด่าบ้างอะไรบ้างเราก็มีเมตตาเนะทํางานอย่างขยันขันแข็งกลับมาบ้านมีแต่ความยิ้มแย้มเนะมีเมตตาให้กันมี <Okay. S 1> สติสมัมปชัญญะตรงนี้คุณอยู่ในมรรคตลอดเลยนะปฏ <Okay. S 1> ิบัติ ท, ทําแล้วแล้วคุณมีเงินใช่ไหมคุณใช้จ่ายถูกต้องหรือเปล่าตาม4สถานจะมาให้แม่บ้างให้เพื่อนบ้าง ไม่ถึงว่าแบ่งใช้จ่ายทรัพย์อย่างถูกต้องอน ะ, <ค>ะทําบุญบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไม่ลุ่มหลงในทรัพย์นั้นอันเนี้ยอย่างคระว่าทํธรรมถูกต้องแล้วดีมากๆเลยนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำอย่างนี้ได้นี่ยังไม่ได้พูดถึงไปวัดเลยนะเอาแค่ตรงนี้ก่อนเนี่ดีมากๆแล้วมีส <คะ S 1> ัยที่สองะก็คือสมณะมิสัยนะคือบางทีเราคราว่ามันวุ่นวายมากคุณโยมติ๋วปวดหัวมึนตึงไปหมดเลยเสาร์อาทิตย์พักก็ไม่พอฉันขอสักสามวันไปนะหรือเจดวันก็ได้นะไปอยู่วัด เดีรืออยู่สักที่อะไรที่หนึ่งที่มันจะหลีกเร้นไม่ยุ่งกับใครเป็นการปฏิบัติชนิดที่ว่าเป็นสมณวิสัยนุ่งขาวห่มขาวไปเลยคุณกินมื้อเดียวแล้วแล้วทําอะไรไม่ทําอะไรเลยนอกจากนั่งสมาธิอันนี้เป็นสมณะวิสัยคุณก็ทําได้ค่ะทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้เวลายังไงคุณอยู่ในเพศไหนคุณมีคอมมิชเมนต์มากนะ้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยมันก็ต้องตามเหตุตามประจานของแต่ละคนนะเนา ะ, ะอย่างไรก็ตาม การปฏิบัติจําเป็นไหมคะออออก็การปฏิบัติทั้งสองอย่างจําเป็นนะสัด ส, ส่วนออแล้วแต่บุคคลนะคือเราเป็นคราวาตเนี่ยบางทีมันต้องหาเวลาหลีกเลนบ้างอย่างเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยขอสักสาชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งตอนเช้าชั่วโมงห ต, ต, ตอนเย็นวันปกติธรรมดาคุณไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะี้หมายความว่าไม่ใช่ว่าไม่ต้องหานะคือหาอยู่ถ้าถ้ามันหาไม่ได้จริงนะคุณอาจจะเอามารวมกันว่าวันเสาร์อาทิตยนะ์ชั่วโมงหนึ่งเต็มๆนะเราทํา นะวันปกติวันธรรมดาอาจจะไม่มีเวลาจริงๆขอสิบนาทีพอนะแต่เสาร์อาทิตย์นี่ขอหนึ่งชั่วโมงเต็มๆอย่างในชั่วโมงหนึ่งนั้นในสิบนาทีตรงนั้นเนี่ยนะเป็นเวลาที่เราหลีกเลนเป็นแานปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนี้ก็ทําได้แลนะดีด้วยแล้วต้องทําการปฏิบัติเนี่ยบางคนก็บอกไม่มีครูบาอาจารย์จะเกิดอาการเพี้ยนได้อ ม, มีคําอธิบายตรงนี้ไหมคะ ถูกผิดอย่างไรคะเป็นไปได้ผู้ชา่าพูดถึงคนที่ไม่มีกริรยามิตรหรือว่าคนที่ไม่มีคำแนะนำเนี่ยถ้าศีลถือถ้าองค์ประกอบอย่างเด้งเน่เราไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกต้องนะเช่นว่าถ้าคนศีลไม่บริสุทธิ์อย่างเงี้ยแล้วพยายามที่จะไปทำสมาธิทำปฏิบัติในทางจิตเนี่ยมันอาจจะทำให้ไปไม่ถูกทางได้เพราะนั้นก็ต้องถ้ามีโคช้ชหรือว่าผู้ที่ จะคอยบอกสอนผู้เจ้าใช้คํานี้ว่า เ, าเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่เราตั้งอยู่ในที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะเป็นผู้ที่เราจะตั้งไว้ซึ่งความกลัวและความละอายในบุคคลนีนะ้ท่านบอกสอนอะไรได่าอะไรเราเรารับได้หมดเราทําตามหมดอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะครูบาอาจารย์ถูกไหมอันนี้ถึงจะเราเข้าไปหาบุคคล น, นี้เราก็สอบถามธรรมะบ้างฟังธรรมจากท่านบ้างนะให้ท่านตักเตือนเราบ้างอันนี้ดีมาก ค่ะก็จะฟังจากทางวิทยุเนี่ยแหละค่ะรบกวนท่านได้ช่วยเมตตาให้ความรู้กับท่านที่คิดว่าก็ขอฟังจากที่นี่ค่ะว่าจะปฏิบัติอย่างไรดีคะานคะก็มาประเด็นตรงที่ว่าการปฏิบัติตรงนี้นะว่าพูดถึงการปฏิบัติที่นรูปแบบนี้ก็อันหนึ่งพูดถึงการปฏิบัติที่เป็นคนะา ร, รวสาสมิสัยที่อยู่ในชีวิตประจําวันนี้ก็อันหนึ่งแลนะ2ะ อ, อันนี้คุณยมติวมันมีแง่มุมที่อาจมาเคยทําอยู่สมัยก็มีคารวาส ว, ว่าเอ๊ะมันจะเกือ้อกูลกันอย่างมากนัขึ้นหมายความว่าในระหว่างวัน นะคุณสังเกตลมหายใจไหมขึ้นรุ่นขะึ้นรถมาคนเดียวอย่างเงี้ยขับรถอยู่เอ้ตั้งแต่เราออกจากบ้านจนถึงที่ทํางานเนี่ยคุณรู้ลมหายใจกี่ลมนะคุณ ค, คุณมีสติลมหายใจกี่ลมเอาสักสองสามลมก็พอแตนะถ้าคุณทําตรงนี้นิ ด, นดหน่อยนะรอลิฟต์บ้างนะเรากินอาหารคนเดียวบ้างหรือว่าช่วงที่เราประชุมอย่างเงี้ยเรารู้หายใจไปด้วยเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นตัวสนับสนุนไอช่วงเวลาที่เราไปปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนะ ในขณะเดียวกันการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบตอนเช้าบ้างตอนเย็นบ้างสิบนาที20สิบนาทีหนึ่งชั่วโมงบ้างในวันเสาร์อาทิตย์ตรงเนี้จะมาเกื้อหนุนในระหว่างวันที่ทําให้เรามีลมหายใจอยู่เรื่อยๆนิดๆหน่อยๆตรงนั้นตรง น, น, รงนี้อย่างเงี้ยนั่นคือลมหายใจสติของเราเนี่ยให้เป็นเหมือนบ้านนะคุณยมติว <c oughs> เราไปทํางานที่ไหนเรากลับมาบ้านอยู่เรื่อยๆให้ลมหายใจเนี่ยพะจิตของเราไปนู่นไปนี่กลับมาอยู่ลมหายใจคิดนั่นคิดนี่กลับมาอยู่ลมหายใจอย่างเงี้ยทำอย่งี้เราจะเราจะเกื้อหนุนกันทั้งสองฝ่ายม ก็คืออันนี้เป็นวิธีหนึ่งหรือว่าสองวิธีแล้วค่ะเนี่ยคือคือทูอิน n ันะคือทั้งสองวิธีนั่นแหละแต่สองวิธีเ น, นั่นเนี่ยมันช่วยเหนือเกื้อกูลซึ่ ง, งกันและกันบางคนก็บอกว่าปฏิบัติมาแล้วพอสมควรทีเดียวดีแล้วด้ ว, ดวยจูจ่ๆมาวันหนึ่งต้องไปเกี่ยวข้องกับคนเยอะมันฟุ้งซ่านเหลือเกินก็ปฏิบัติอยู่แต่ฟุ้งซ่าน ถามว่าปรากฏที่มันเกิดขึ้นว่าเป็นความฟุ้งซ่านมากกว่าเมื่อก่อนอเสียหายไหมคะแต่ยังยังพยายามปฏิบัติอยู่ออสแสดงว่าอันใดอันหนึ่งของเราเนี่ยมั น, มนลดลงไปเนี่ยเช่นถ้าอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีที่คุณโยมติวพูดมาคือคสมมุติในเวลาสิบห้านาทีที่เรานั่งสมาธิเป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่ที่ว่าคุณฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเนี่ยคุณอาจจะฟุ้งซ่านแค่สิบนาทีก็ได้ในอีกห้านาทีคุณยังดีอยู่นะ อ <Okay. S 2> ทีนี้5นาทีดีเราทําให้มากขึ้นทีนี้ปรากฏว่ามันไม่มากขึ้นสิมันกลับลดลง <Okay. S 2> ใช่ไหมประเด็น <Okay. S 2> ที่พูดตรงนี้คือมันกลับลดลงจาก15นาที15นาทีที่นั่งเนี่ยได้สมาธิ5นาทีอีก10นาทีไปโน่นไปนี่แล้วเนี่ยมันไอ้5นาทีเหลือ4นาทีอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้แสดงว่าอะไรสักอย่างในอย่างหนึ่งที่เราไม่ถูกนะไล่ไปเลยนะสีคุณถูกไหม <Okay. S 2> นะความปกติ5อย่างคุณทาได้ไหมสอง เรื่องอาหารการกินคุณคุ ณ, คณมีการพิจารณาอาหารหรือเปล่านะีคุณฟุ้งเฟอ้อมากไปไหมเรื่องอาหารการกินปากท้องสามเรื่องการสัมรู้อินซีแลคุณผลอสติอยู่เรื่อยๆหรือลกลางวันนะ่นะถ้าคุณเป็นไอช่วง5้านาทีนั้นคุณหลุดแน่นอนต้องเหลือลดลง <c oughs> นะสีนะ่เรื่องการประกอบความเพียรต่างๆเนะช่นว่าคุณฟังธรรมะอยู่เรื่อยหรือเปล่าหรือว่าคุณลดลงปล่าจํานวนฟังธรรมะเนี่ยที่ฟังเช้าทุกเช้าเนี่ยเหลือแค่อาทิตฐานครั้งเดียวโอโ้โหนี่ระวังระวังอย่างเงี้ยนะ ค่ะมันจะมีพารามิเตอร์พวกนี้เรามาตรวจสอบเราได้การที่ชีวิตเปลี่ยนไปจากเคยอยู่สบายๆต้องไปอยู่ในท่ามกลางเรื่องราวต่างๆมากมายอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยใดที่ท่านบอกว่าเป็นอินดิเคเตอร์ด้วยหรือเปล่าคะอ่า น, นี่เป็นการสรํารวมอินทรีย์่คือหมายถึงว่าตาหูจ ม, มูกเรื่องกายใจใเราถูกเปิดแล้วถูกเปิดแล้ ค, คุณปิดกั้นได้ไหมแ ต, มแต่แต่ที่ฉันกำลังกราบเรียนถามว่าแต่ในเมื่อ ยังพยายามปฏิบัติอยู่เนี่ยถือว่าเสียหายไปแล้วในการพยายามปฏิบัติสมาธิหรือว่าไม่ได้เสียหายคือคมันเป็นงนี้ว่าถ้าอยู่ในระหว่างวันเนี่ยการที่เราไปต้องไปติดต่อผู้คนมากเนี่ยมันก็ถูกเปิดแล้วน ะ, ะ, ะอินทรีย์ขเราเียิ่งประตูเปิดกว้างมากขึ้นแ่ละบางั้นนะทีนี้ประตูเปิดกว้างมากขึ้นเนี่ย เ, เราก็หาช่องทางอื่นที่เรามาจะเสริมตรงนี้ได้นะเช่นในระหว่างวันเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาสัก หนึ่งนาทีแน่นอนเลยเช่นเราเรอลิฟต์เราอยู่เงียบๆง่ายๆคนเดียวเรารู้ว่าหายใจไปด้วยได้ตรงเนี้ยเราทําตลอดเป็นชั่วโมงบินเราเก็บเราเก็บเราเก็บนะครับรถอยู่คนเดียวเราเก็บนะวางโทรศัพท์ปุ๊บยังไม่ได้คิดอะไรมากเรารู้ว่าหายใจเราเก็บตรงนี้นะหรือว่าช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียวเราเราทําซะอย่างเงี้ยมันช่วยได้ค่ะแต่จช่นก็เห็นเวลาเหลือไม่มากอืจริงๆแล้วขอตั้งคําถามอันนี้ไว้ เพื่อที่จะไปตอบพรุ่งนี้นะคะเรนบานถ้าจะถามให้ชัดมากขึ้นก็คือว่า เ, เข้าสมาธิได้ยากกว่าจะขะจัดความฟุ้งซ่านได้เนี่ยลาบากเหลือเกินเยอะแยะมากมายขอไปอธิบายพรุ่งนี้เพิ่มได้นะคะได้เรื่องการเข้าสมาธิเนี่ยจะมีอยู่สองสามประเด็นเราก็ามาพูดกันตอนนตอนต่อไปได้นะคะท่านฟังที่ครบค่ะที่ฉันเองอยากให้ท่านเนี่ย ในประโยชน์จากการปฏิบัติท่านไปบูนได้พูดถึงพื้นฐานหรือว่าเบสิกเนี่ยมาในส่วนหนึ่งนี้ก็เลยพยายามถามในส่วนที่อาจจะเป็นข้อสงสัยของใครอยู่ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นข้อสงสัยของทีฉันด้วยนะคะก็ต้องกราบนวัตสการขอบพระคุณท่านไปบูนแล้วขอยกคําถามต่างๆที่ตั้งใจจะถามไปเป็นวันพรุ่งนี้นะคะกราบนวัตสการขอบพระคุณค่ะเตือนบานท่านฝั่งที่ครบคะ่ะ และสําหรับรายการของเราที่ชื่อรายการสันสนีสนทนาความจริงถ้าจะตั้งให้เต็มๆท่าจะต้องต่อว่าสนทนาพุทธวจนะของพระศาสดานะคะหรืออะไรทํานองนี้คะ่ะก็เป็นอันว่าดําเนินมาสําหรับวันนี้ได้เวลาที่จะต้องพูดในเรื่องสุดท้ายกับท่านที่เราพูดกันเป็นประจําคือเรื่องคําถามทั้งหลายใครถามมาก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นทั้งนั้นเพราะ ดิฉันเข้าใจว่าเราก็มักจะมีประสบการณ์ไม่แตกต่างกันมากนะในเรื่องเดียวกันนะคะ0 2 2 6์สอ0สหรือพิเอลธรรม a c o m 1 0 6และที่สำคัญเนี่ยคำของพระศาสดาดิฉันอยากให้ท่านได้มีไว้ทบทวนมีไว้ใกล้ครวนมีไว้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะสื่อทอด คำสอนของพระศาสดาที่ถูกต้องต่อไปก็ส่งมานะคะหนังสือพุททวัจนะเรามีแจกสัปดาห์ละสามเล่มเป็นอภิญญนท น, นาการมาจากวัดนาปะพงลำลูกกาคลองสิทธาอาจารย์คึกฤทิ์โสธิพโลค่ะวันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพุทวัตสวัสดีค่ะ